เรื่องมานปลอมตัวพระสสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารคมารได้ยินว่าในวันหนึ่งมารนั้นปลอมเป็นบุรุษคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระสาสดาแล้วทูลถามว่าสถานที่อันพระองค์ตรัสว่าฝั่งนั้นอะไรที่ชื่อว่าฝัง พระศัสดาทรงทราบว่าเป็นมารจึงตรัสว่ามารผู้มีบาปประโยชน์อะไรของท่านด้วยคำว่าฝังก็ฝังนั้นอันผู้มีราคะไปปราดแล้วทั้งหลายนั้นพึงไปถึงดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าฝังก็ดีที่ไม่ใช่ฝังก็ดีทั้งที่เป็นฝังก็ดีและมิใช่ฝังก็ดี ไม่มีแก่ผู้ใดเราเรียกผู้นั้นซึ่งมีความกระวนกระวายไปปราดแล้วคือผู้พรากจากกิเลสได้แล้วว่าเป็นพรามพรามในที่นี้ไม่ได้หมายถึงนักบวชหรือวันน่าพรามนะครับแต่พระองค์ทรงตรัสตามความเข้าใจของคนในยุคนั้นในแง่ของพรามที่แปลว่าผู้ลอยบาปพ้นจากบาปแล้ว อธิบายคำว่าฝังชื่อว่าป่ารังแปลว่าอายตนะภายในหกได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจชื่อว่าป่ารังแปลว่าอายตนะภายนอกหกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถูกต้องทางกายธรรมารมณ์อารมณ์ความนึกคิดทางใจทั้งสองนี้ชื่อว่าทั้งฝังและที่มีใช่ฟัง ทั้งฝั่งและไม่ใช่ฝั่งไม่มีแก่ผู้ใดเพราะความไม่ยึดถือว่าเราว่าของเราเรียกผู้นั้นผู้ปราศ จ, จากความกระวนกระวายแล้วคือปราศจากกิเลสทั้งหลายผู้พรากจากกิเลสทั้งปวงได้แล้วว่าเป็นพรามซึ่งพรามในที่นี้หมายเอาถึงพระขี น, นาสพคือพระอระหันต์ทั้งหลาย รู้ความสิ้นไปแห่งสังขารทั้งหลายหมายเอาผู้รู้ความสิ้นไปแห่งขันห้าทั้งหลายในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้และ